9. รัตนวัตรสองรัตนสิขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนที่เจ้าของลืมไว้เรื่องพระรูปหนึ่ง5้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษูรูปหนึ่งทรงน้ำในแม่น้ำอาจิรวดีพรามคนหนึ่งวางถุงซับห้า0้กหาปณะนะไว้บนบก แล้วลงอาบน้ําในแม่น้ําอาจิระวาดีแล้วลืมทุงทรัพย์ได้ไปแล้วทีนั้นภิกษุนั้นได้เก็บไว้ด้วยคิดว่าทุงซัพย์ของพราหมณ์นี้อย่าสูญหายไปฝ่ายพราหมณ์พอนึกขึ้นได้ก็รีบวิ่งมาถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านเห็นทุงรัพย์ของกระผมบ้างไหมภิกษุนั้นได้คืนให้พองกล่าวว่าเชิญท่านรับไปเถิดพราหมณ์ครั้งนั้นพราหมณ์นั้นได้เกิดความคิดดังนี้ว่า ด้วยอุบายอย่างไรเราจึงไม่ต้องให้ค่าไถ่แก่ภิกษุนี้จึงยืดตัวแล้วกล่าวว่าท่านทรักของกระผมไม่ใช่500กหาปณะแต่มี1000กหาปณะตาา่างหากแล้วปล่อยตัวไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงอารามแล้วจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่าฉไนภิกษุเก็บรัตนะไว้แล้วขั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้น แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลารทูลพระผู้มีพระภาคที่ทรงทราบ